วันนี้เป็นวันอังคารที่สิบสองสิงหาคมพุทธศักราชสอง8ันห้าร้หกสิบดเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งสำหรับพวกเราทุกคนเพราะว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่พวกเราลู ก, ลก จะได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ผู้ที่มีพระคุณอย่างยิ่งต่อลูกๆ ก, กทั้งหลายเพราะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ลูกๆกก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้นี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆทุกคนไม่มีใครที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่เพราะว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ย่อมเกิดขึ้นมาไม่ได้นั่นเองแต่พ่อแม่ที่ให้กำเนิดก็อาจจะเลี้ยงดูให้ลูกๆ จเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยก็ได้หรือบางโอกาสพ่อแม่ก็อาจจะไม่สามารถเลี้ยงดูลูกๆให้จเจริญเติบโตขึ้นมาได้แต่พระคุณของพ่อแม่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่คือยังเป็นผู้ให้กำเนิดต่อลูกลูกให้ร่างกาย ของลูกๆเพื่อลูกๆจะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆในโลกนี้พระคุณของพ่อแม่เป็นพระคุณอันใหญ่หลวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าต่อให้ลูกๆเลีเ้ยงดูพ่อแม่อย่างดีแบกท่านไว้บนบาบนไหล ให้ท่านอุจจระปัสวะใส่ร่างกายของตนก็ยังไม่สามารถทดแทนใช้บุญคุณของพ่อแม่ได้หมดถ้าอยากจะทดใช้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆให้หมดได้นั้นจำเป็นจะต้องทำให้พ่อแม่นั้นพ้นจากอบาย ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปการที่จะทำให้พ่อแม่นั้นพ้นจากอบายไม่ต้องไปเกิดอบายได้ก็ต้องสอนให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขึ้นไปก็คือเป็นพระโสดาบันหรือสูงกว่านั้นพอาพระอริยบุคคลทุกระดับจะ สามารถปิดประตูบายได้จะไม่ต้องไปเวียน่ายตายเกิดในทุกขติอีกต่อไปอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงทดแทนบุญคุณของพุทธมารดาที่หลังจากได้ประสูติพระเจ้าชายสิทธัตถะได้เจ็ดวันก็เสด็จสวรรคต พอเจ้าชายสิท ธ, ธตัตถะโตขึ้นได้ออกบวชได้ตัดสรูุ้เป็นพระอาหารหันต์ตสมมาสามพุทธเจ้าพระองค์ก็ส่งค้นหาว่าดวงวิญญาณของพุทธมารดาได้อยู่ที่ไหนบ้างพอได้ค้นพบได้ติดต่อได้ก็ได้ส่งแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาด้วยกัน จนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายส่วนพระราชบิดาหรือของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมโปรดให้พระราชบิดาได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสอนโคตไปแล้วพระมารดาเลี้ยงที่ได้เลี้ยงดูเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจนเติบโตขึ้นมาก็ได้ทรงโปรดให้ได้บวชเป็นภิกษุณีและได้สอนให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในเบื้องต้นนี้ตอนที่ พระมันดาเลี้ยงมาขออนุญาตบวชเป็นภิกษุณีพระพุทธเจ้านั้นทรงปฏิเสธถึงสามครั้งด้วยกันพอทรงเห็นว่าการมีสุภาพสตรีมาบวชในพระพุทธศาสนาจะทําให้อายุไขของพระพุทธศาสนาสั้นลงเพราะว่าเมื่อมีสุภาพสตรีมาบวชเป็นภิกษุณี ก็ต้องมีพระภิกษุคอยกํากับดูแลคอยสั่งสอนมเมื่อมีหญิงชายมาอยู่ใกล้ชิดกัน<ม>โอกาสที่จะทำอะไรที่เสื่อมเสียทำให้เกิดเสื่อมศรัทธา<ม>ก็เป็นไปได้ง่ายเพราะองค์ตอนต้นจึงไม่มีความปรารถนาที่อยากจะให้สุภาพสตีมาบวชเป็นภิกษุณีกัน พระมารดาเลี้ยงขออนุญาตถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าก็สรงปฏิเสธไปทั้งสามครั้งด้วยกันจนพระมารดาเลี้ยงต้องไปปรับทุกข์กับพระอานุนที่เป็นพระอุปถาของพระพุทธเจ้าและเป็นพระญาตของพระพุทธเจ้ามเมื่อพระอานุนได้สรงทราบก็เลยมากราบทูลถามว่า เหตุใดทำไมไม่บวชให้กับพระมารดาเลี้ยงให้เป็นพระภิกษุณีพระมารดาเลี้ยงก็มีพระคุณกับพระ อ, องค์เป็นอย่างยิ่งเกิดได้เลี้ยงดูเป็นแม่เลี้ยงมาแทนแม่ตัวเองพระ อ, องค์ไม่มีความกระตันอยู่บ้างเลยหรื อ, อไรอพอพระนนทถามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลย ต้องยอมรับก็คือบวชอนุญาตให้แม่เลี้ยงบวชเป็นพระภิกษุณีได้แต่ต้องทรงตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อด้วยกันเพื่อไม่ให้เพื่อป้องกันการเสื่อมเสียของพระศาสนาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้เช่นทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุณี สั่งสอนพระภิกษุพระภิกษุนี้นี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลอบรมของพระภิกษุและพระภิกษุนี้ถึงแม้จะบวชมาได้นานหลายพรรษาก็ตาม <c oughs> ก็ยังต้องเคารพพระภิกษุที่บวชใหม่ในวันนี้ <c oughs> เป็นต้นท่งตั้งข้องเงื่อนไขไว้เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการเสื่อมเสียป้องกันไม่ให้พระพุทธศาสนาอายุสั้นลงนั่นเองแต่ด้วยความจำใจที่พระมารดาเลี้ยงมีพระคุณต่อพระพุทธเจ้าจึงเลยต้องอนุญาตบวชเป็นภิกษุณีให้นี่คือความความกตัญญูกาเวทีของพระพุทธเจ้า ที่มีต่อพระคุณของพ่อแม่และแม่เลี้ยงของพระ อ, องค์<ม>พวกเราทุกคนที่เป็นลูกๆ<ม>เราก็มีพ่อมีแม่มทุกคนเราก็ควรที่จะมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณกับเราเพราะความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นรากฐาน ของผู้ที่เป็นคนดีผู้ที่จะเจริญก้าวหน้าไปได้จาเป็นจะต้องมีความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณเพราะว่าความกตัญญูกตวเวทีนี้ก็คือการมีความเมตตานั้นเองมีความเมตตามีความการุณาต่อผู้ที่มีพระคุณน้าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ที่จะเจริญขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอริยบุคคลได้นั้นจำเป็นจะต้องมีความเมตตาการุณาเป็นพื้นฐานในการที่จะเจริญเติบโตขึ้นไปสู่ทำขั้นสูงต่างๆได้นั่นเองดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามความกตัญญูกตเวที อยากให้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมีครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งอยากจะขอบวชก็พระองค์ก็ทรงถามว่าชายคนนี้เคยได้ทำอะไรให้กับพระพุทธศาสนาบ้างหรือเปล่าก็มีภารูปหนึ่งก็ตอบว่าเคยใส่ใส่ข้าวให้หนึ่งทัพผีพรเจ้าก็บอกว่า ชายคนนี้มีพระคุณกับพระพุทธศาสนาควรจะบวชให้เขานี่คือเรื่องของความกตัญญูถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อย่ามองข้ามไปใครก็ตามที่เขามีพระคุณกับเราแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ตามถ้าเรามีโอกาสที่จะ ตอบแทนบุญคุณของเขาเราก็ควรจะกระทำเพราะเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญ ต, ต, ต่อจิตใจนั่นเองอการที่จะมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่นี้ก็มีหลายวิธีการด้วยกันเช่นถ้าเรายังอยู่กับท่านยังอยู่ภายใต้โอวาทของท่าน ก็เราก็ต้องเคารพเชื่อฟังในคำสั่งคำสอนของท่านเราไม่ควรถกเถียงหรือปฏิเสธในคำสั่งคำสอนของท่านเวลาที่ท่านพูดอะไรท่านสอนอะไรเราควรจะฟังเฉยๆถึงแม้อาจจะไม่ถูกใจเราเราก็ไม่ควรที่จะโต้เถียงแต่อย่างใดควรที่จะ ฟังเฉยๆแล้วนำมาบาพิจารณาก่อนถ้าสิ่งที่ท่านสอนเป็นสิ่งที่ขันหลักรมขันหลักศีลธรรมเราก็สามารถที่จะไม่ต้องทำตามได้แต่เราไม่ควรที่จะโต้เถียงกับท่านเวลาที่ท่านสั่งสอนเราเราควรที่จะให้ความเคารพโดยการรับฟังเฉยๆไป ส่วนที่จะทำตามหรือไม่ น, นั้นก็ต้องมาพิจารณาดูอีกทีก่อนว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีคุณมีประโยชน์ไม่ขาดกับหลักศีลธรรมหรือไม่ถ้าทำแล้วไม่ขาดกับหลักศีลธรรมมีคุณมีประโยชน์ก็ควรที่จะทำตามไปเพราะความปรารถนาของพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆนั้นก็เพื่อให้ลูกๆได้มีความสุขความเจริญ ปราจากความทุกข์ต่างๆนั่นเองท่านมีประสบะการณ์ในชีวิตมาก่อนเราท่านเห็นสิ่งต่างๆมากกว่าเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วมากกว่าเราท่านก็อยากจะให้เราได้มีความรู้เพื่อที่จะได้ปกป้องชีวิตของเราไม่ให้ตกต่า เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตของเราได้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นหน้าที่ของลูกๆจึงควรที่จะเคารพเชื่อฟังในคำสั่งคำสอนของพ่อของแม่ยกเว้นว่าถ้าเป็นคำสั่งคำสอนที่ขัดกับหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะไ ม, ไม่ต้องทำตามก็ได้เช่นถ้าพ่อแม่สอนให้ไปลักขโมย ไปพูดโปรดอย่างนี้ก็สามารถที่จะไม่กระทำตามที่พ่อแม่สั่งสอนได้แต่ถ้าเป็นคำสั่งคำสอนที่ไม่ได้ขาดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการคำสอนที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์เช่นห้ า, สส า, ามไม่ให้เราไปเสพสุรายามางเป็นต้นไม่ให้เราไปเสพอบายมุกต่างๆอันนี้ก็เป็นคาสอนที่ดี ที่เราควรที่จะน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติให้ได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของการแสดงความ ก, ต, ากะ ต, ะตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาที่มีพระคุณต่อลูกๆแล้วถ้าท่านมีอายุมากแล้วท่านไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวของท่านเองได้ ก็ต้องเป็นหน้าที่ของลูกๆที่จะต้องมาเลี้ยงดูให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายอย่างน้อยก็ต้องอยู่สุขสบายเท่ากับเราเราอยู่สุขสบายอย่างไรเราก็ต้องให้ท่านอยู่สุขสบายอย่างนั้นหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องมีให้ท่านอยู่สุขสบายมากกว่าเราอันนี้ก็เป็นการทดแทนบุญคุณเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที แล้วถ้าเกิดท่านจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังสามารถแสดงความกตัญญูกตเวทีได้ด้วยการทำบุญทาทานอุทิศสงบุญสองกุศลไปให้ดวงวิญญาณของท่านหรือถ้าเราได้บรรลุธรรมขั้นสูงสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณของท่านได้เราก็สามารถที่จะแสดงธรรมโปรดพ่อแม่ของเราได้ ทำให้ท่านดูดพ้นจากอบายได้นี่คือเรื่องของความกตัญญูกะตะเวทีความกตัญญูนี้แปลว่าความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณกาตะเวทีก็คือการทดแทนบุญคุณเบื้องต้นเราต้องมีความสำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณของเรา เมื่อเรารู้ว่าบุคคล น, นี้มีพระคุณกับเราเราก็ควรจะทดแทนบุญคุณของบุคคลที่มีพระคุณกับเรานี้ด้วยวิธีการต่างๆตามโอกาสอันควรนะวิธีที่จะทำให้เราน้อมนำนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ของเราก็คือเราควรที่จะกราบพ่อแม่ของเราทุกวันนะ ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็กราบพ่อแม่ตอนก่อนนอนก็กราบพ่อกราบแม่หลังจากที่กราบพระแล้วไหว้พระสวดมนต์แล้วก็กราบพ่อกราบแม่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปกราบที่หน้าท่านเลยกราบที่ไหนก็ได้เพื่อเราจะได้น้อมนำเลิกถึงพระคุณของท่านเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เป็นประจำ <c oughs> เวลาที่เราดําเนินชีวิตของเราเราอาจจะมีเรื่องมากมาย ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องที่จะต้องติต้องมีการกระทําต่างๆก็จะอาจจะทําให้เราลืมถึงผู้ที่มีพระคุณของเราก็ได้แต่ถ้าเราได้กราบท่านทุกเช้าทุกเย็นทุกครั้งที่เรากราบแล้วก็คิดถึงพระคุณของท่านแล้วถ้ามีโอกาสก็ติดต่อไปหาท่าน เพื่อที่จะได้แสดงความลำลึกถึงแสดงความกตัญญูดูแลท่านโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เราสามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อกันได้อย่างง่ายดายอย่างน้อยวันหนึ่งเราก็ควรที่จะโทรไปหาพ่อหาแม่ถามสาระทุกสุขดีแล้วก็ควรที่จะส่งข้าวส่งของอะไรไปอยู่เรื่อยๆ เพื่อแสดงความกตัญญูกตอเวทีแสดงความรักความห่วงใยที่เรามีต่อพ่อต่อแม่ของเราถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุง่งเรืองทั้งในทางโลกและในทางธรรมถ้าเราอยากจะเจริญทางธรรมเราก็จะสามารถปฏิบัติทำตามคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้อย่างง่ายดายเพราะเรามีพื้นฐานของธรรมอยู่ในใจแล้วเรามีความเมตตากรุณาเรามีความปราณถนาดีต่อผู้อันเราก็จะสามารถทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาได้อย่างง่ายดายกว่าผู้ที่ไม่มีความกระดันอยูก่กตเวทีนี่ก็คือ ประเด็นสาคัญของเรื่องของการมีวันแม่ขึ้นมาหรือวันพ่อขึ้นมาก็าเพื่อให้ลูกๆที่อาจจะยุ่งวุ่นวายกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาความสุขต่างๆได้มีเวลาได้มาหยุดคิดสักหนึ่งวันให้คิดถึงบุญคุณอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพ่อของแม่แล้วเพื่อที่จะได้ไม่เป็นคนที่ปเป็นอากตัอยู่คือเป็นคนที่ลืมบุญคุณ ให้เป็นคนที่มีความกตัญญูให้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เป็นการเสริมสร้างพื้นฐานของความดีงามไว้ให้กับจิตใจเพื่อที่จะได้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นตามลำดับตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีความกตัญญูแล้วการที่จะปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของจิตใจเพื่อให้จิตใจได้พัฒนาขึ้นสูงให้สูงขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดได้ก็จะเป็นการกระทาที่ง่ายได้กว่าผู้ที่ไม่มีความกตัญญูกตวเวทีจะสามารถทําบุญทาทานตามที่พุะเจ้าทรงสอนให้ทำได้ทำทานรักษาศีลสามารถรักษาศีลได้ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรับไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆเป็นต้นแล้วก็สามารถที่จะหาเวลาไปบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อสักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธําจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่เป็นเหตุสร้างความทุกข์ให้กับใจ และเป็นเหตุที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อยู่เรื่อยๆไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด mm hmm. ถ้ามีพื้นฐานของความกะตันอยู่แล้ว mm hmm. การปฏิบัติการพัฒนาจิตใจเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. ก็จะสามารถทำได้อย่างง่ายดาย mm hmm. ถ้าเรามีความกตันอยู่แล้วเราจะสามารถทําบุญทำทานได้เพราะความกตันอยู่นี้ก็เป็นตัวที่ผลักดันให้เราทำทำบุญทําทานอยู่นั่นเองทําคุณทําประโยชน์กับบิดามารดาของเราก่อนทําบุญกับพ่อในบ้านก่อนพ่อแม่นี้ท่านเปรียวว่าเป็นเหมือนกับพ่อาลานของลูกๆทําบุญกับพ่อกับแม่นี้ได้บุญได้กุศลมาก เพราะจะมีอันนี้สง์จะทำให้เราสามารถไปทำบุญกับผู้อื่นได้ต่อไป mm hmm. เราก็จะเป็นคนที่เป็นคนดีทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม mm hmm. ไม่เอารัดเอาเปรียบ mm hmm. ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้ mm hmm. เราก็จะไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการไม่พูดปด mm hmm. ไม่ดื่มของมึนเมาแล้วพอเรารักษาสีห้าได้เราก็จะสามารถเพิ่มสีห้าจากจากสีห้าไปเป็นสีแปดได้เพราะการที่จะพัฒนาให้จิตสูงขึ้นนั้นจำเป็นที่จะต้องมีสีที่มากขึ้นศีนของสีของผู้ที่ปฏิบัติจิตตภาวนาจำเป็นจะต้องมีสีแปดขึ้นไป ศีลสิบศลสอง้อยสิเพราข้อพอศีลเป็นเครื่องสนับสนุนตากดันให้เกิดมีการเจริญจิตตภาวนานั่นเองถ้าไม่มีศีลจิตใจก็จะวุ่นวายทำเรื่องการกระทาไม่ดีต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะไปอยู่ในสถานที่สงบเพื่อจิตเจริญจิตตภาวนาน ทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้สะอาดได้จำเป็นต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนก่อนเบื้องต้นก็อาศัยศีลห้าเป็นผู้สนับสนุนการรักษาศีลห้าได้ง่ายหรือยากก็ขึ้นอยู่กับการว่ามีใจมีบุญใจเป็นทานหรือเปล่าใจเป็นบุญเป็นกุศลหรือเปล่าใจมีความกตัญญูกะตะเวทีหรือเปล่านี่ เมื่อมีความกระตันอยูกตวเวทีการทำบุญทำทานก็จะทำได้ง่ายเมื่อทำบุญได้ง่ายทำบุญทำทานได้ง่ายก็จะรักษาศีลได้ง่ายเมื่อรักษาศีลห้าได้ง่ายก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้ง่ายขึ้น <né? S 1> ตามลำดับ <c oughs> การปฏิบัติทำ <c oughs> เพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น <c oughs> ให้มีความสุขมากขึ้น <c oughs> ให้มีความทุกข์น้อยลง ให้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนวายตายเกิดได้นั้นเป็นการกระทาเป็นขั้นเป็นตอนไปมีธรรมแต่ละขั้นสนับสนุนกันเหมือนขั้นบันไดขั้นบันไดขั้นที่หนึ่งก็สนับสนุนการขึ้นบันไดสู่ขั้นที่สองขั้นบันไดที่สองก็เป็นการเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดให้ให้ขึ้นสู่บันไดขั้นที่สามได้ง่าย ถ้าจะก้าวจากขั้นที่หนึ่งไปขั้นที่สามขั้นที่สี่อะไนี้ก็จะยากเป็นไปไม่ได้จาเป็นที่จะต้องค่อยๆพัฒนาไปเพราะกำลังที่จะใช้ในการพัฒนานี้ยังมีไม่มากพอก็ต้องค่อยๆพัฒนากำลังไปตามตามตามขั้นตอนที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้นั่นเองดังนั้นเราจรึงต้องมีความกรตัอยู่ เมื่อมีความกระตันอยู่แล้วเราก็จะได้สามารถทำบุญทำทานได้อย่างง่ายดายเมื่อเราทำบุญทำทานได้เราก็จะรักษาศินห้าได้ง่ายดายเพราะคนที่มีคนที่ทำบุญทาทานจะมีใจที่เมตตาไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นชอบให้ผู้อื่นมีความสุขก็จะทำให้ไม่อยากจะไปทำบาปะจะไม่อยากจะไปฆ่าสัตว์ไปรักษาไ ป, ประพติผิด ในการไปพูดปดหรือไปดื่มของมึนเมาต่างๆเพราะเป็นการกระทําที่จะทําให้ผู้เสียหายเดือดร้อนนั่นเองก็จะสามารถรักษาศินห้าได้พอรักษาศินห้าได้ก็สามารถเพิ่มศินเป็นศินแปดได้เบื้องต้นก็อาจจะทําในวันพระก่อนปันธรรมดาก็รักษาศินห้าพอวันพระก็มาหัดรักษาศินแปดมาระ ง, งับการหาความสุขที่ ที่ต่ำที่เป็นความทุกข์เป็นความสุขปลอมคือความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพานนั่นเอง<ม>แลามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขมาหาความสุขที่เป็นความสุขจริงความสุขแท้ก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบจากการเจริญสตินั่งสมาธินั่นเองก็เป็นการปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยการมีศีลแปลดเป็นผู้สนับสนุน เมื่อมีสินแตกก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติการสติได้ทั้งวันเดินยืนนั่งนอนก็มีสติคอยกำกับใจไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆแล้วพอเวลามีเวลานั่งเฉยๆใจก็จะสามารถเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้เมื่อได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ หลงกับการไปหาความสุขทางโลกอีกต่อไปใจก็จะมุ่งมั่นต่อการหาความสุขที่แท้จริงคือความสงบด้วยการเพิ่มการปฏิบัติให้มีวันเพิ่มมากขึ้นอยากอาทิตย์ละหนึ่งวันก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสมวันไปตามลำดับเรื่อยๆจนในที่สุดก็อาจจะปฏิบัติทุกวันเลยก็จะไปอยู่เป็นนักบวชกันหรืออยู่แบบนักบวชก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะไม่ใช้เวลาไปกับการหาความสุขทางโลกอีกต่อไปจะใช้เวลาให้กับการหาความสุขจากการปฏิบัติ ธ, ธรรมตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นสูงสุดจนถึงขั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่ความความสุขที่เป็นบรมลัสุขความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันเสื่อม อันนี้ก็คืออา น, นิสงส์ผลประโยชน์ที่จะตามมาจากการที่มีความกระตันยูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณคือพระคือบิดามารดาผู้ให้กำเนิดกับลูกๆทุกคนนั่นเอง mm hmm. ก, าการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วตามที่เราได้กำหนดกันไว้ก็คือจะแบ่งเวลาเป็นสองช่วง ช่วงแรก30สนาทีก็จะเป็นการแสดงธรรมแล้วอีก30สนาทีต่อมาก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสมถภาวนาคือทําใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่แท้จริงขึ้นมาในใจเพื่อที่จะได้ละความสุขรอนละความสุขที่เป็นเหตุที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นเอง ดังนั้นต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันต่อการนั่งสมาธินี้จะนั่งให้นั่งเพื่อให้จิตสงบไม่ได้นั่งเพื่อให้เห็นอะไรทั้งสิ้นเรื่องการเห็นนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งคือขั้นวิปัสสนาขั้นแรกนี้เราต้องการให้จิตนิ่งให้สงบให้ว่างให้เป็นหนึ่งให้เป็นเอกคัตตาลมให้สักตะวารุให้มีความสุขกับความสงบและมีอุเบกขาเป็นธรรมประจําใจ ก็คือใจเป็นการใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงในขณะที่อยู่ในความสงบนั้นใจจะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นวิธีจะทํำใจให้นิ่งให้สงบได้จําเป็นที่จะต้องมีสติกํากับใจผูกใจไว้กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่ที่ที่จะผูกที่จะดึงใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆนั่นเอง กรรมฐานนี้ก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันในตำราก็แสดงไว้ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันสี่สิบกรรมฐานแต่เราสําหรับผู้ที่เริ่มตอนนี้มักจะใช้กรรมฐานในกลุ่มของพุทธานุสติในกลุ่มอนุสติสิบอนุสติสิบก็มีพุทธานุสติธรรมานุสติสามขานุสติหรืออาณาบนานสติมรณ า, านุสติเป็นต้น การใช้อนุสติเหล่านี้เป็นอารมณ์ผูกใจไว้ก็จะทำให้ใจนิ่งไม่ลอยไปไม่ไหลไปกับความคิดต่างๆถ้านั่งเฉยๆไม่มีกรรมฐานผูกใจไว้ไม่มีสติคอยผูกคอยดึงใจให้อยู่กับกรรมฐานใจก็จะลอยไปกับความคิดลอยไปกับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่งถ้าปล่อยให้ใจไหลไปกับความคิดไหลไปกับอารมณ์ใจก็จะไม่มีวันสงบไม่ไม่มีวันที่จะเข้าสมาธิได้ อยากจะเข้าสมาธิอยากให้ใจนิ่งอยากให้ใจสงบใจว่างใจเย็นใจสบายก็ต้องมีอารมณ์ผูกใจไว้มีสติคอยดึงใจเอาไว้ให้อยู่กับอารมณ์ mm hmm. กรรมฐานกรรมฐานที่ใช้กันทั่วไปในกลุ่มนักปฏิบัติก็คือพุทธานุสติคือการล่ำลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจหรือบางท่านก็จะใช้อานาปนาสติ คือการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกบางท่านก็จะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทก็ได้อันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องใช้แบบใดแบบหนึ่งอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติชอบพุธโธอย่างเดียวก็บริกรรมพุธโธอย่างเดียวก็ได้ถ้าชอบดูลมหายใจอย่างเดียวก็ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ ถ้าชอบใช้หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าถูกก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้ายังทําทั้งสามอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าใจยังอาจจะฟุ้งซ่านอยู่ก็อาจจะใช้การสวดมนเพื่อมาระ ง, งับความฟุ้งซ่านก่อนก็ได้สวดมนบทไหนก็ได้สวดไปเพื่อให้ใจระ ง, งับจากความคิดปรุงแต่งต่างๆเพื่อให้ใจสงบ่อที่จะมาดูลมหายใจได้หรือมาบริกรรมพุโทโธได้แล้วก็ค่อยเปลี่ยน มาดูลมหรือมาบริกรรมพุทโธต่อไปนี่คือหลักการง่ายๆของการนั่งสมาธินั่งสมาธิต้องมีสติกำกับใจผูกใจให้อยู่กรรมฐ า, านกรรมฐ า, านใดกรรมฐ า, านหนึ่งอย่านั่งเฉยๆแล้วอย่าไปตามรู้อะไรที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่งอาจจะมีเสียงเข้ามาอาจจะมีภาพเข้ามาอาจจะมีแสงเข้ามามีอารมณ์อะไรต่างๆเข้ามาหรือความรู้สึกทางร่างกายเข้ามาก็อย่าไปสนใจ ร่างกาอยอาจจะคันตรงนั้นคันตรงนี้หรืออยากจะเกินน้ำลายก็อย่าไปสนใจถ้าไปสนใจแล้วใจก็จะไม่สามารถไปสู่สมาธิได้ถ้าอยากใช้ใจเข้าสมาธิต้องผูกใจไว้กับกรรมฐานตลอดเวลาในขณะที่นั่งจนกว่าใจนิ่งสงบแล้วกรรมฐานก็จะบทความสําคัญไปเองนี่คือวิธีการนั่งที่ฝากให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ในการกระทํา การนั่งสมาธิที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้สังเกตว่าเรานั่งแบบไหนอย่างไรให้จดจำวิธีนั่งเอาไว้ พอข่าวหน้ามานั่งก็ใช้วิธีนี้ใต้ต่อไปเลยจิตก็จะสงบเหมือนกับวันนี้แต่อย่าบปอยากนั่งนั่งแล้วไปอยากไปอยากให้มันสงบเพียงอย่างเดียวเพราะความอยากให้มันสงบนี้จะไม่ทำให้จิตสงบได้ต้องอยู่ที่วิธีนั่งที่มีสติที่ถูกต้องเช่นวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังน้อยก็ควรจะหมั่นเจริญสติให้มากขึ้นใ น, ในระหว่างวัน สามารถจเจริญได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจก็ได้หรือเฝ้าดูการกระทําของเราไปก็ได้อย่าปล่อยให้ใจไหลไปกับความคิดต่างๆและต่อไปนี้ก็จะขออนุมโมทนาให้พรยะถ า, าปาริวะหาปุราริกุเรนติสัขหลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปการปติ เยชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวาสมิชฌตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาราสุยาธาเมลิโชติราสุยาธาสัพพิติยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีติขายุโกภวะ อาพิวาทานสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง<า>ช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามตอบคําถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่เราจะสามารถตอบคําถามให้ได้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 ทางวิทยุออนไลน์11ท่านทางคับเฮาส์5ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ208ท่านรวมทั้งหมด865ท่านครับ หลายนสสักวิชาการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคําถามจากทาง Facebook ถามเข้ามาจากคุณพิมพ์รัวีค่ะว่าการสร้างบารมีในการบรรลุธรรมเช่นทานบารมีเราต้องสร้างมากแค่ไหนถึงจะรู้ว่าบารมีเต็มแล้วคะก็เต็มร้อยก็ให้มีร้อยก็ให้ไปหมดร้อยเลยเก็บไว้เฉพาะค่าข้าวค่าขนมค่าที่อยู่อาศัยก็พอแต่ไม่เอาไปใช้วิธีอย่างในเรื่องอย่างอื่น คนที่เขาไปบวชเนี่ยเขาสละหมดเลยรับสมบัติเก้าของเองินทองเจ้าค่ะจากทางยูทูปอาจารย์จากเฮียเริงเจ้าค่ะถามเข้ามาว่าเวลาคิดถึงความตายแล้วใจกลัวจิตตกทุกทีทำอย่างไรดีครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคิดถึงความตายจิตเรายังอ่อนไว้อยู่ให้ฝึกสติให้มากๆก่อนให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก่อนเวลาใจกลัวก็ให้คิด คิดถึงพุโทโธพุโทโธไปก่อนให้ใจนิง่งให้สงบไปก่อนแล้วพอใจนิง่งใจสงบแล้วก็จะมีความกล้าหาญพอที่จะพิจารณาความตายได้ค่อยพิจารณาถ้าพิจารณายังพิจารณาไม่ได้ก็อย่าพิ่งพิจารณาพยายามสร้างสติสร้างสมาธิให้มีขึ้นให้มากขึ้นมาก่อนมียถามคถามาเดี๋ย ว, ม, วมีคำถามเดี๋ยวมีคาถามนะ แล้วเฮเรืองเขาถามต่ออีกมาว่าบางวันจิตก็ดีบางวันจิตก็แย่เพราะอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายจิตชอบตีความไปในทางที่ไม่ดีแก้ไขอย่างไรดีครับจะให้จิตเป็นอัตโนมัติครับอ๋อต้องฝึกสติบ่อยๆแล้วพยายามสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปสัมผัสกับรูปเสียงจิตลดโผฏฐาะต่างๆฝึกใจให้นิ่งให้สงบก่อนให้มีสมาธิก่อน เเดี๋ยวจะค่อยๆ ค, ควบคุมใจได้เชิญกรรมนันทกรรมนันทศกันนะคะผ่าจะเขาถามว่านำเข้าใจว่าวนในโลกนี้นะมีแต่สคงั้งเกิดแล้วก็ดับแต่ว่าถ้าคนป่วยนะถ้าอาการมันักมากน้าเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันลงแรงเขานั้นๆก็ยังไม่ดับดูเฉยๆอะเมสซี่แสงขาแต่ว่าเขาไม่ดับไปก็ เป็นควรทำอย่างไรคะอ๋อเราไม่ได้ดูเพื่อให้มันดับเราดูเพื่อให้ใจเราไม่ไปทุกข์กับมันเือให้ใจเราดูมันได้อย่างไม่ต้องทุกข์กับมันวิธีไม่ทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันดับที่มันทุกข์เพราะไปอยากให้มันดับนม่อย่าไปอยากให้มันดับเหมือนเราดูฝนฝนตกแดดออกนี่เราดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยค่ะมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปเดียวถ้าถ้ากาก็จิบตรงนี้แล้วก็มันหลายปีแล้วก็ เขาเราดูเฉยเฉยเขาไม่ดับไงอยู่นั้นนๆเขาไม่ดับ NO ก็ไม่ดับแต่เพราะเป็นธรรมชาติของเขาไงเราจิตไม่ยุ่งกับมันใช่ไหมคะก็อย่าไปยุ่งกับมันถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ตายไปไม่เป็นไรอก็อยู่กับมันไปโอเเคย่าไปทุกขกับมันไว้เฉยไว้ค่ะขอพระเค่ะอ่า เจ้าคะ่ะจากคุณใบยกค่ะถามเข้ามาทาง YouTube ตราบใดที่เรายังมีร่างกายย่อมเจอคนผ่านเป็นธรรมดาไม่มีเว้นแม้เป็นอริยะเจ้าการที่นิ่งเฉยคือการหยุดลุกลามแต่ลูกก็ยังมีอารมณ์อยากตอบกลับอยู่เจ้าคะ่ะแต่ไม่มากเท่าแต่ก่อนต้องอัดคำบริกรรมให้ถี่ขึ้นถูกต้องแล้วใช้ใหม่เจ้าคะ่ะบางทีปัญหา บางทีปัญญาตัดได้ในตอนนั้นแต่ก็ยังกลับมาคิดวนอีกเราต้องใช้สติหยุดความคิดให้ไดแสดงว่าสติเรายังมีกําลังไม่มากพอที่จะหยุดความคิดได้ตลอดเวลาในเวลามันคิดเราก็ต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธพุโทพโธหยุดมันเหมือนรถน่ะถ้าเวลารถวิ่งเราจะให้มันหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกพอเหยียบเบรกมันก็จอดพอเราปล่อยเบรกมันก็วิง่งเราก็ต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆก่อนจนกว่ามันจะไม่วิง่ง ถึงค่อยปล่อยเบรคได้จค่ะพอเริ่มนั่งสมาธิต้องต่อสู้กับความคิดการงานผู้คนบริวารเลยใช้คาถายาวๆบริกรรมแทนพุทโธโ<อ>ก็ยังเอาไม่อยู่เลยจับภาพหลวงพ่อควบคู่ก็ฟุ้งอยู่เลยจับเสียงเพิ่มเข้าไปอีกตอนท่องคาถาควบคู่ไปอีกทีนี้เอาอยู่แต่ตัวใจโยกหมุนบ้าง แบบนี้ปล่อยไปเลยไหมคะใช่อย่าไปสนใจกับอะไรให้อยู่กับการสวดของเราไปเพียงอย่างเดียวค่ะแล้วก็บางทีพอจิตเริ่มฟุง้งมันเหมือนจะเคิร์มหลับเลยรียบบริกรรมเร็วๆจี้ไปที่คาถายาวๆพร้อมจับภาพหลวงพ่อหรือเสียงระลึกถึงเสียงควบคู่มันจะหายง่วงหายเคิรมหลับแบบนี้ถูกวิธีไหมคะก็ถ้ามันหายก็ถูกอ่ะลองดูที่ผลที่เรา ถำว่ามันได้ผลตามที่เราต้องการไไหรือเปล่าถ้าได้ผลตามที่เราต้องการก็ถูกมีคาถามนี้กลาบนวัสกรรค่ะหลวงพ่อเมืม่อวานกลับไปบ้านค่ะก็พุทโธพุทโธค่ะจิตจะมีความรู้สึกว่ามันมันจืดชืดมันมันซึมเศร้า จะแก้ยังไงคะท่านอยา่าไปสนใจกับอาการเหล่านั้นมันเป็นอาการชั่วคราวค่ะให้เราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวพอจิตสงบแล้วอาการซึมเศร้าก็จะหายไปให้พุทธโธตลอดเลยใช่ไหมคะพุทธโธตลอดเลยยายตอนแรกก็ตกใจว่าแบบทําไมมันเหมือนจะแบบหงอยเหงาซึมเศร้าค่ะเพราะมันอยากไปเที่ยวอยากจะเส็บสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นเพราะมไม่ได้เส็บมันก็เลยเศร้า ค่ะที่ผ่านมาก็แบบพอไปเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เปิด youtube ตลอดเลยค่ะอเที่ยวทิพย u ยูทูบมันก็เป็นรูปเสียงกิ่นนั่นเองค่ะพูดโทรตลอดเลยใช่ไหมคะถ้าถ้ายังไม่มีกำลังจะพูดโทรก็ดู youtube ไปก่อนแล้วกันพูดโทรตลอดเลยใช่ไหมคะเส้นทางเดียวไม่พูดโทรก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ค่ะฟังเทศฟังธรรมก็ได้ฟังธรรมได้อยู่ แต่พุโทโธพุโทโธได้อย่างเดียวดีที่สุดสะโวกที่สุดง่ายที่สุดกลับขอบพคุณค่ะพระอาจารย์คะอย่างเมื่อกี้อะค่ะที่ว่าฟุ้งกับเคิมหลับมันจะมาในระหว่างที่เรานั่งอะเราใช้วิธีแบบนี้สลับกันตลอดแบบนี้แล้วถ้ามันเอาอยู่นี่ก็คือถูกต้องนะใช่ไหมครับถ้ามันฟุ้งก็ต้องใช้พุโทโธให้มันที่ส่วนแล้วให้มันที เวลาฉะลับมันก็ต้องใช้พุดโธเหมือนกันแล้วแต่วิธีที่เราจะใช้ถ้ามันทำให้มันปัญหามันหายไปได้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีวิธีตายตัวแต่ละคนมีอุบายไม่เหมือนกันบางคนคิดถึงความตายก็ตื่นขึ้นมาเลยก็ได้ เ, เดี๋ยวตายแล้วนะเดีจะตายตื่นเต้นขึ้นมาทันทีก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่อุบายของแต่ละคน เธอคะ่ะมีคำถามจากทาง YouTube กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์สมาธิแล้วใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มาเว็บมาเป็นช่วงๆตลอดเลยนิ่งไม่นานเลยต้องฝึกอย่างไรดีคะพยายามฝึกสติทั้งวันก่อนพยายามฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนดับเลยให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปภายในใจตลอดเวลาโยงเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับการงานต่างๆ พอเราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็อย่าปล่อยให้มันคิดแล้วก็ใช้พุโทโธหยุดมันหรือเราจะเฝ้าดูการกระทําของร่างกายก็ได้เฝ้าต่อเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรกําลังกินกําลังดื่มกําลังอาบน้ํากําลังแต่งตัวให้มันอยู่กับการกระทํางานของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้เาเรียกว่าเป็นการมีสติคือดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยไปอดีตอย่าปล่อยไปอนาคต จาจก็คือร่างกายของเนรานนอยู่ในปัจจุบันจากทางค่าถามเข้ามาว่าขอกราบในมัสการเรียนสอบถามนะคะพระอาจารย์วันนี้พ่อหนูบอกว่าไม่ฟังทมทำให้มันพอดีพอดีพ่อหนูมักมีโทสะส่วนแม่หนูมักฟุง้งตอนเด็กหนูเริ่มนั่งสมาธิกับพ่อแต่ตอนนี้พ่อบอกแก่แล้วทำยาก หนูพยายามชวนพ่อแม่เข้าทางธรรมตั้งแต่เด็กหลายครั้งก็คิดว่าควรอุเบกขาไหมแฟนหนูที่ปฏิบัติภาวนากันมาและเพิ่งหอตกเสียไปเคยบอกว่าให้ตั้งใจทําของตัวเองก่อนหนูควรทําอย่างไรดีคะคือถ้าชวนแล้วเขาไม่มาก็แล้วไปอย่าไปเซาซีเขาอย่าไปรบกวนใจเขาเรามีหน้าที่ชวนแล้ว ก็จบหน้าที่ของเราส่วนเขาจะมาหรือไม่มานี่เป็นหน้าที่ของเขาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ยังไม่มีคำถามเขามาสช่ค่ะก็อยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้นะเพราะเดี๋ยวพอเลิกเราจะไม่สะดวกจะต้องขอขออภัยด้วยที่จะไม่ได้ตอบเพราะว่ามันไม่สะดวกจริงๆถอยากจะถามอะไรถามตอนนี้ ไม่อยากจะปรากฏตัวก็เขียนเป็นข้อความส่งเข้ามาก็ได้การปฏิบัติแก้ปัญหานี้แต่ละคนอาจจะมีอุบายไม่เหมือนกันบางคนใช้สติบางคนใช้ปัญญาบางคนใช้การสวดมนต์บางคนใช้การระลึกถึงความตายแล้วแต่อุบายของแต่ละคนที่ถูกเจริญ ก, กับตนเอง ใช้วิธีนนัไปมีคาถามจากทางยูทู e ค่ะถามเขามาว่าเราควรต้องฝึกสมาธิทุกวันไหมคะควรควรจะทำทุกวันได้ยิ่งดีเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับให้อาหารใจร่างกายเรายังกินทุกวันเลยใช่ไหมกินวันละสามสี่มือ้อใจเรานี่นานๆจะกินสักครั้งหนึ่งอาหารใจเราถึงสู้ผอม ร่างกายแล้วนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์พราะเราให้เราให้อาหารไม่ไม่เท่าไม่เท่ากันคนจะให้อาหารเท่ากับใจถ้ากินมื้อหนึ่งเราก็ต้องให้หานั่งสมาธิครั้งหนึ่งถ้ากินสองมื้อก็ต้องนั่งสองสองครั้งให้เท่ากันแล้วร่างกายกับใจก็จะได้สมบูรณ์จเจริญเติบโ ต, ตไปพร้อมๆกันได้ สกายที่ที่พาาระอาจารย์แนะนําว่าต้องฝึกสติทั้งวันที่ว่าทานก็ทานข้าวก็รู้ว่าทานข้าวอาบน้าเป็นฟันหนึ่งใช่ไหมคะมันก็เหมือนเราเราตัดจากการเสพข้อมูลเข้ามาในจิตภายนอกใช่ไหมคะเหมือนเราหมดด้วยตัดข้อมูลภายนอกแล้วข้อมูลภายในคือความคิดด้วยค่ะความคิดก็ไม่คิดรูปเสียงเิ่นเลยก็ไม่สนใจ ไม่สนใจอยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวถ้าเราอยากจะได้สมาธิต้องทำแบบนี้มันก็เหมือนที่ว่าไม่ลดการดูหนังดูละครฟังเพลงเนี่กรรมะอะไรต่างเนี่ยกรรมะปฏิบัติเนี่กรรมะค่ะเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะคำถามจากทางเฟซ book เจ้าค่ะหนูเพิ่งเริ่มศึกษาพระศาสนาค่ะหนูควรเริ่มฝึกอะไรก่อนดีคะ ฝึกสามข้อเนี้การทําทานการรักษาศีลและก า, การภาวนาไปค้นหาในครูก็ว่าทานนี้ทําอย่างไรบ้างที่นี้เรียกว่าเป็นการทําทานศีลมีศีลอะไรบ้างต้องรักษากี่ข้อภาวนาต้องทำอย่างไงรึงเรียกว่าภาวนาศึกษาสามข้อนี้ก็พอใช่ค่ะยังไม่มีคําถามสิค่ะ ก่อนที่เราจะปฏิบัติเราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติก่อนถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเราไปปฏิบัติก็อาจจะปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลผลดีอาจจะไม่เกิดอาจจะได้ผลเสียก็ได้งั้นต้องศึกษาก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอะไรบ้างพระเจ้าสอนว่าถ้าอยากจะดับความทุกข์ทางใจก็ให้ปฏิบัติสข้อนี้ข้อที่หนึ่งให้ทาบุญทาทานเสียสละแบ่งปัน ข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้อย่าไปหวงเก็บเอาไว้เไปแจกจ่ายให้คนที่เขาไม่มีให้เขาคนที่เขาเดือดร้อนทำแล้วเราจะมีความสุขความทุกข์ใจที่เกิดจากการที่อยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มมันก็จะลดน้อยลงไปแล้วเราก็จะพอเราทําทานได้เราก็จะรักษาศินได้เราก็จะไม่อยากจะเบียดเบียนใครไม่อยากจะไปรังแกใครไม่อยากจะทําให้ใครเสียหาย ใช่จาก y o u t u b e ค่ะถามเข some ้ามาว่ากราบเรีย네นสอบถามพระอาจารย์ครับการให้อภัยตัวเองกับความผิดพลาดพลั้งเผลออารมณ์ในอดีตผมควรฝึกใจอย่างไรครับกราบขอบพระคุณครับก็อย่าไปโทษตัวเองให้คิดว่ามันเป็นการผิดพลาดความไม่รู้ของเราเมื่อเรารู้แล้วว่าไม่ดีไม่ถูกก็เอามาตักเตือนเอาจดจำอาไว้ แล้วคราวหน้าอย่าไปทำซ้ำอีก <Yeah. S 1> การที่จะตําเนติดเตือนตนเองลงโทษตัวเองมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร <Yeah. S 1> ถ้าจะลงโทษก็ลงโทษเพื่อให้มันเข็ดลาบเช่นเราทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง <Yeah. S 1> แล้วเราอยากจะลงโทษตัวเราเองเราก็ลงโทษด้วยการห้ามไม่ให้ดูหนังห้ามไม่ให้ไปเที่ยวหรือห้ามอะไรสักอย่างมนการลงโทษอย่างนี้ก็ทาได้ เพื่อที่เราจะได้มีความรู้สึกว่าถ้าเราทำผิดเราจะถูกลงโทษต่อไปเราก็อาจจะไม่กล้าทำผิดก็ได้แต่อย่ามานั่งคิดว่านั่งคิดตำหนิตัวเองโทษตัวเองแล้วทำให้ตัวเองไม่สบายใจอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยอมรับความจริงว่าเราผิดแล้วเราต้องแก้ไขดัดแปลงอย่าทำซ้ำอีกเท่านั้นเองนี่คือเป้าหมายท่าทางเฟซบุ๊กค่ะคุณส้มถามเข้ามาว่าในการ นั่งสมาธิ30นาทีเราสามารถบริกรรมพุโทโธสิบ้านาทีแรกและดูลมหายใจหลังจากนั้นได้ไหมคะหรือต้องทําอย่างใดอย่างหนึง่งก็แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเบื้องต้นเราดูลมไม่ได้เราต้องพุโทโธก่อนก็นพุโทโธไปพอเราพุโทโธสักระยะเราสึกว่าเราสามารถดูลมได้เราก็เปลี่ยนมาดูลมก็ได้หรือถ้าเราอยู่กับพุโทโธได้โดยที่ไม่ต้องดูลมก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ ต้องสังเกตดู ว, ว่าวิธีไหนจะเหมาะกับเราเช่าค่ะคุณชีาลาลัดค่ะขอคำแนะนำในการปรับใจเนื่องจากมีเสียงคอรหาทำนองว่าอวดรวยใจจริงต้องการสร้างทานบา ร, รมีจริงๆและพยายามไม่ให้ใครทราบมากขอขอบพระคุณค่ะเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกนี้มีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทาเราห้ามไม่ได้มัน บางคนก็ชอบสรรเสริญเราบางคนก็ชอบนินทาเราเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยปล่อยวางปล่อยเขาสารรเสริญไปปล่อยเขานินทาไปเราก็ทําหน้าที่ของเราไปก็แล้วกันยังไม่มีคําถามเขามาใช่ไหะถ้าไม่มีก็เอาท่า น, นี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในธรรมยิ่งยิงย่ ง, งขึ้นไปเถิด